สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นครับในเช้าวันนี้เป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันสิบหกชิทเฟยเยซูตอนที่ห้าร้อยยี่สิบสี่เรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่ยี่สิบสามพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่เก้านะครับข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบฮีบรูบทที่เก้าข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบ 10. โปรดฟังพชนะของพระเจ้าแม้พันธสัญญาเดิมนั้นก็มีกฎในการนามัสการ และมีโลกียศักดิ์สิทธิสถานเพราะว่าได้มีการกางเต็นท์ขึ้นตกแต่งเสร็จแล้วคือห้องชั้นนอกซึ่งมีคันปะทีบโตะ๊ะและขนมปังหน้าพพักห้องนี้เรียกว่าวิสุทธิสถานภายในม่านชั้นที่สองมีห้องซึ่งเรียกว่าอาภิสุทธิสถานมีแท่นทองคำสำหรับเผาเครื่องหอมและมีหีบหุ้มด้วยทองคาทุกด้านสาหรับบรรจุพันธสัญญา ภายในหีบนั้นมีโถทองคำใส่มานาและมีไม้เท้าของอารนที่ออกดอกตูมและมีศิลาสองแผ่นจารึกพันธสัญญาและเหนือหีบนั้นมีรูปเครูปแห่งพระศิลิคลุมพระที่นั่งพระกรุณานั้นสิ่งเหล่านี้เราจะพนานาให้ละเอียดในที่นี้ไม่ได้เมื่อจัดตั้งสิ่งเหล่านี้ไว้อย่างนั้นแล้วพวกโภนหิตก็เข้าไปในเต็นท์ห้องชั้นนอกทุกครั้งที่ปฏิบัติกิจวัตร แต่ในห้องที่สองนั้นมีมหาผลิตผู้เดียวเท่านั้นที่เข้าไปได้ปีละครั้งและต้องนำเลือดเข้าไปถวายเพื่อตัวเองและเพื่อความผิดโดยไม่เจตนาของประชาชนด้วยเพราะการปฏิบัติอย่างนี้เองพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงทรงสำสัแดงว่าทางซึ่งจะนำเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์นั้นจะยังไม่เปิดในเมื่อเต้นห้องชั้นนอกยังตั้งอยู่ เป็นห้องชั้นนอกเป็นเครื่องหมายแห่งยุคปัจจุบันการถวายของกำนันและเครื่องบูชาซึ่งจะ ก, กระทำกันตามแบบนี้ไม่ชำระใจสำนึกผิดของผู้ถวายนั้นเพราะเป็นเรื่องของกินของดื่มและพิธีชำระล้างต่างๆเท่านั้นเป็นพิธีสำหรับการปฏิบัติทางกายที่ได้บัญญัติไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ พี่น้องครับภาพรวมของพระธรรมฮีบรูบทที่เก้านี้ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูนั้นทบทวนการปรนิบัติในพระพลาของพระกัมภีร์เดิมและเปรียบเทียบความต่างให้เห็นว่าพระราชกิจและการปฏิบัติของพระคริสต์ไม่เพียงแต่คล้ายกันแต่เหนือกว่าด้วยพี่น้องครับความเหนือกว่าของการรับใช้ของพระเยซูนั้นเหนือกว่าระบบปุโรหิตเดิมนะครับเพราะว่า พริหิตแบบเมลคีเสเดกซึ่งหมายถึงพระเยซูนั้นเป็นสิ่งที่อยู่เหนือกว่าในทุกๆด้านและในบทที่เก้านี้ผู้เขียนฮีบูกลมบอกว่าเหนือกว่าในด้านของการปฏิบัติในาพากพราหรือในพระวิหารเพียครับเราจะดูนะครับบทที่เก้าข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าผมจะอ่านจากฉบับของคิงเจมส์ให้พี่น้องฟังคิงเจมสภาษาไทยนะครับไปอย่างนี้ครับข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้า แท้จริงถึงแม้พันธสัญญาเดิมนั้นก็ยังมีกฎสำหรับการปฏิบัติในพิธีนอสการ์และได้มีสถานอันบริสุทธิ์สำหรับโลกนี้เพราะว่าได้มีพับพลาสร้างขึ้นตกแต่งเสร็จแล้วคือห้องชั้นนอกซึ่งมีคันประทีบโต๊ะและขนมปังหน้าพระพักห้องนี้เรียกว่าที่บริสุทธิ์และภายในม่านชั้นที่สองมีห้องพับปลาซึ่งเรียกว่าที่บริสุทธิ์ที่สุดห้องนั้นมีแท่นทองคําสำหรับถวายเครื่องหอม ได้มีหีบพันธสัญญาหุ้มด้วยทองคําทุกด้านในหีบนั้นก็มีโถทองคําใส่มานาและมีไม้เท่าของอารอนที่ออกช่อและมีแผ่นศิลาพันธสัญญาและในเหนือหีบนั้นมีรูปเครรปแห่งสง่าราศีคลุมพระที่นั่งพระกรุณานั้นสิ่งเหล่านี้เราจะพรฒนาให้ละเอียดในที่นี้ไม่ได้พี่น้องครับพันธสัญญาเดิมนั้นมีกฎเกณฑ์เยอะแยะมากมายครับ และระเบียบปฏิบัติเยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนในการปฏิบัติในพระวิหารหรือในพักพรานั้นก็จะมีพักพราที่ตั้งอยู่ในโลกนี้ผู้เขียนฮีบรูนั้นได้สรุปให้เราเห็นถึงสิ่งต่างๆที่ใช้ในพักพราครับก็มีอะไรบ้างครับมีพักพรานะครับซึ่งเป็นเหมือนกับเต็นท์นัดพบซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงออกถึงการทรงสถิตของพระเจ้าที่มีอยู่ท่ามกลางชนชาติอิสราเอลขณะที่พวกเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดาน ต่อไปจากขบคลาก็มีห้องห้องชั้นนอกนะครับซึ่งมีคันประทีบมีโต๊ะและขนมปังหน้าพพักมีสามอย่างครับห้องชั้นนอกนี้มีคันประทีบมีโต๊ะและมีขนมปังหน้าพพักห้องนี้เรียกว่าที่บริสุทธิ์ภายในม่านชั้นที่สองนี้มีห้องขบคลาที่เรียกว่าบริสุทธิ์ที่สุดหรืออับที่สุดที่สถานในห้องนั้นก็มีแท่นทองคําถวายเครื่องหอมนะครับมีหีบพันธสัญญาที่ห่อหุ้มด้วยทองคํา มีโถทองคาใส่มานานะครับอยู่ในหีบพันธสัญญานั้นมีแม่เท้าของอารมณ์ที่ออกช่อและมีแผ่นศิลาจารึกพันธสัญญานะครับและเนื้อหีบนั้นก็มีเครูปแห่งสงารารสีคุมอยู่ณนะพระที่นั่งกรุณาจ้องสังเกตดูนะครับในห้องที่ว่าบริสุทธิ์ที่สุดนั้นมีแท่นทองคําสําหรับถวายเครื่องหอมและมีหีบพันธสัญญานะครับสองอย่างนี้เป็นของที่สําคัญที่สุดครับเพราะว่าแท่นทองคํานั้น จาหลบถวายเครื่องหอมก็คือเป็นการถวายเพื่อที่จะถวายบูชาเพื่อที่จะลบบาปของของปวงประชาชนทั้งหลายและหีพันธั ญ, ญานั้นก็เป็นสั ญ, ญลักษณ์เป็นเครื่องหมายแห่งพันธัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้านําพวกเขาออกจากอียิปต์นะครับก็จะมีโถทองคําไสมานาไม้เท้าอารโอลที่ออกช่อและมีแผ่นศิลอจาริยะของพันธสัญญาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ ปรากฏอยู่ในห้องที่เรียกว่าอภิสุดที่สถานในพันธัญญาเดิมนั้นอย่าลืมนะครับว่ามีกฎเยอะแยะมากมายนะครับผู้เขียนฮีบรูไม่ตั้งใจที่จะพรรณนาให้ละเอียดน่าสังเกตนะครับคำว่าพระที่นั่งกรุณาในที่อื่นนั้นแปลว่าการลบล้างพระอาถยาพระอาถยาการลบล้างพระอาถยา นั่นหมายความว่าบนพระที่นั่งกรุณานั่นเองที่ความบาปของชนชาติอิสราเอลในสมัยขุมพีเดิมถูกลบล้างออกไปได้รับการลบล้างพระอาจฉรหมายถึงว่าได้รับการลบยบลบล้างการลงโทษนะครับพระอาจฉรหมายถึงการลงโทษนั่นก็คือความหมายว่าพระกรุณาของพระเจ้านั้นได้หยิบยื่นแก่พวกอิสราเอลเพราะพระพิโรธอันชอบธรรมของพระองค์ได้ถูกระงับแล้วโดยการถวายโลหิต ของเครื่องบูชาไถยบาป พ, พี่น้องครับเน้นคําว่าการถวายโลหิตของเครื่องบูชาไถยบาปทําให้เรานึกถึงอะไรครับนึกถึงพระโลหิตขององค์พระยุทธเจ้าที่หลังไร้ไม้เขนั้นเป็นเครื่องบูชาไถยบาปชำระเราผู้ที่เชื่อให้พ้นจากการอาธรรมทุกอย่างพี่น้องครับข้อหนึ่งข้อห้าทำให้เราเห็นถึงภาพของการถวายบูชาซึ่งอยู่ในระบบของพระคระพีเดิม ที่ปูโรหิตนั้นจะต้องเข้าไปในอภิสุทธิ์ที่สถานเข้าไปในวิสุทธิ์ที่สถานเพื่อที่จะทําการถวายบูชาเพื่อที่จะทําการถวายโลหิตของเครื่องบูชาไถ่บาปแต่เมื่อพระเยซูมาแล้วสิ่งที่ดีกว่าก็กําเนิดก็เกิดขึ้นครับพระพีในข้อที่สิบบอกว่าจนกว่าจะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่นั่นคือการเสด็จมาของพระเยซู เสร็จมาเพื่อที่พระองค์จะทรงชิ้นพะชนบนไม้กางเขนครับในข้อที่หกนะครับเราจะดูต่อไปแล้วเมื่อจัดตั้งสิ่งเหล่านี้ไว้อย่างนั้นแล้วพวกปุริหิตก็เข้าไปในพับพลาห้องที่หนึ่งทุกครั้งที่ปณิบัติพระเจ้าตลอดสมัยพระมปีเดิมนะครับเราจะเห็นว่าปุริหิตจะเข้าไปในพับปลาห้องที่หนึ่งเพื่อทําการปณิบัติพระเจ้าผู้เขียนกําลังยกข้อสันนิษฐานที่ว่าปุริหิตของพระกมภีเดิมนั้นเข้าไปในที่ที่บริสุทธิ์หมายถึงชั้นนอกของพระปลา เป็นห้องแรกนะครับห้องชั้นนอกของพระปราอย่างต่อเนื่องทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อทําการถวายบูชาแต่ในห้องที่สองนะครับมีมหาปุโรหิตอย่างเดียวที่เข้าได้ปีละหนึ่งครั้งห้องที่สองนั้นก็คือห้องอภิสุทธิที่สถานคือห้องบริสุทธิ์ที่สุดเข้าไปปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับและเมื่อเข้าไปแล้วต้องนําเลือดเข้าไปถวายเพื่อตัวเองและเพื่อความผิดของประชาชนอย่างไรก็ตามครับมหาปุโรหิต ก็เข้าไปในห้องที่อภิสุูตรที่สถานห้องที่บริสุทธิ์ที่สุดที่เรียกว่าห้องที่สองเพียงปีละหนึ่งครั้งเองนะครับเพื่อทําการลบบาปของตัวเองและลบบาปของประชาชนพี่น้องครับตรงนี้ทําให้เราเห็นถึงความสําคัญว่าใครที่จะลบบาปนั้งตัวเองต้องลบบาปของตัวเองก่อนครับถึงจะลบบาปของประชาชนนะครับแต่ว่าพระเยซูนั้นพระองค์ไม่มีบาปครับพระองค์ก็สามารถที่จะลบบาปประชาชนด้วยได้เลยโดยที่ไม่ต้องถวายเพื่อตัวเอง นะครับความผิดในข้อที่เจดนี้นะครับมีความหมายว่าความบาปที่เกิดจากความพลั้งเผลอนะครับเกิดจากการละเว้นหรือพลั้งเผลอไม่ทําตามคำบัญญัติพลั้งเผลอของคุนชาติอิสอเอลในเศษพระมหิเดิมนะครับสิ่งที่ถูกพูดตรงนี้ก็คือการประพรมเลือดของเครื่องบูชาไถ่าบาป บ, บนพระที่นั่งกรุณาในวันลบมนทินบาปวันนี้ครับคือปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเอง เมื่อมหาโปรดรีดเข้าไปในที่ที่บริสุทธิ์ที่สุดตามกําหนดประจําปีนะครับเขาจะต้องถวายบูชาเพื่อความบาปของตัวเองนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผู้เขียนฮีบรูนั้นยกเหตุผลสนับสนุนว่าโปรดรีดในชวัยความผิดเดียวนั้นด้อย ก, กว่าพระเยซูคริสต์ครับเพราะพระเยซูไม่มีบาปและไม่จําเป็นต้องถวายเครื่องบูชาไถ่าบาปของพระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์ทาการถวายบูชาของพระองค์เพียงแค่ครั้งเดียวในขณะที่ มหาโพลุหิตต้องถวายบูชาสองครั้งพี่น้องเห็นความเยี่ยมกว่าความดีกว่าเห็นไหมครับความเหนือกว่าของพระเยซูประเด็นนี้ไหมครับต่ อ, อไปครับในข้อที่แปดพระปร่าบอกว่าอย่างนั้นแหละพระวิญญาณบริสุทธ์ได้ทรงสดงว่าทางซึ่งจะเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดนั้นไม่ได้ปรากฏแจ้งคราวเมื่อพระพาเดิมนั้นยังตั้งอยู่พี่น้องครับด้วยเหตุผลทั้งหมดที่พระเจ้าได้ให้พระวิญญาณบริสุทธ์แสดงให้ผู้เขียนฮีบรูนั้นเห็นว่า สิ่งที่บริสุทธิ์ที่แท้จริงยังไม่ได้ปรากฏแจ้งการถวายเลือดสัตว์การถวายนะครับเป็นเครื่องบูชานะครับเป็นแค่เป็นแค่สั ญ, ญลักษณ์ที่นําไปหรือชช้ไปถึงสิ่งที่ดีกว่าและสิ่งที่สมบูรณ์กว่านั่นคือการถวายบูชาของพระเยสคริปต์นั่นเองเพราะฉะนั้นระบบการถวายบูชาในพัพพานะครับจึงเป็นเพียงแค่เครื่องเปรียบเทียบสําหรับในแวรา น, นนะครับเครื่องเปรียบก็คือว่าอุปมา หรือเป็นการฉายแสงนะครับต่อไประบบพัฒพาของพ่อพีเดิมและการถวายเครื่องบูชาแบบต่างๆนั้นจึงเป็นเพียงแบบจําลองครับเพื่อที่จะแสดงถึงความจริงอันยิ่งใหญ่กว่าก็คือวิธีที่ดีกว่านั่นคือการชิ้นประชนของพระเยซูนั่นเองทีนี้ครับระบบพ่อพีเดิมนะครับก็ยุ่งอยู่กับเรื่องปริญย่อยต่างๆของเรื่องกินเรื่องดื่มพิธีชำระต่างๆนะครับในข้อที่สิบแต่ว่าภาระหนัก หนาของระบบนี้นะครับจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปนั่นเองคําที่แปลว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับหมายถึงการเป็นคริสเตียนตามพระคัมภีร์ใหม่นั้นจะปฏิรูปและเข้ามาแทนที่ศาสนายิวของพระคัมภีร์เดิมนะครับแบบอะไรครับแบบเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่ถอดด้ามเลยนะครับความหมายตรงนี้ฉันขอพระเจ้าช่วยแล้วนะครับให้เราเข้าใจเรื่องนี้เพื่อที่เราจะรู้ว่าระบบการถวายบูชาของพระเยซูนั้น ดีที่สุดครับอยู่เหนือกว่าระบบปุโรหิตในสมัยโบราณหรือเพิ่มพีเดิมนั่นเองขาพระเจ้าช่วยแล้วนะครับในการที่เรายกย่องพระเยซูเราเห็นถึงพระคุณความรักของพระเยซูได้สิ้นพระชนบนั่งเขนและทําให้โปร่งนั้นสามารถเป็นมหาปุโรหิตที่ถวายเครื่องบูชาเพื่อประชาชนของโปรง่งประชากรของโปรง่งนั่นคือคริสเตียนผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระเยซูนั่นเองอาเมน